แล้วก็ <พอ S 1> เดี๋ยวต่อไปอาจจะลองคุยกันทีนึงคุยแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่มันแคบแคบหน่อยเออเห็นตัวเราเหรอเห็นตัวเราพูดถึงตัวเราเีราก็ยกตัวอย่างให้เห็นไม่เล่าว่าตัวเรามีอยู่คือตัวมีอยู่อนะมันก็รู้นี่ว่าก็มันรู้อยู่แล้วเน่ะพอถามเราเห็นตอบได้หมดว่ามีมีตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็รู้นะเนี่ยรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะ รู้มีอยู่แล้วว่ารู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยตัวเนี่ยมีมีตัวเนี่ยพูดตัวสับอยู่เนี่ยมันก็รู้นะอ่าทีนี้พอรู้อย่างเนี้ยอ้าวเมื่อรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวพอรู้ตัวตรงเนี้ยบางทีมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ขาดมันไม่แยกทีนี้ก็เอาเอาสิ่งอื่นมาเทียบคู่สักหน่อยหนึ่งว่ารู้ตัวเราแล้วรู้อะไรด้วยล่ะเอาสมมติว่าเราอยู่ใกล้พัดลมนี่พอดีอาจมาอยู่ใกล้พัดลมเนาะ อ่าอัตมาอยู่ใกล้พัดลมก็เห็นพัดลมอยู่ตัวหนึ่งอืมแล้วก็เห็นด้วยนะอัตมาก็มีอยู่อีกตัวหนึงสองตัวแต่ทั้งไอไอตัวที่เป็นพัดลมกับไอตัวตัวที่เรียวกว่าตัวอัตามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกรู้จริงเลยเข้าใจว่าไอรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวพัดลมแล้วรู้เนี้ยก็ไม่ใช่ตัวเรียกว่าตัวเราเออรู้เนี่ยมันเป็นมิติที่สามไงเออซึ่งไม่ใช่พัดลมแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็พอเห็นอยู่อย่างเนี้ย มันก็เด่นขึ้นว่าโอ้พัดลมก็เป็นสิ่งถูกเห็นไอตัวไอที่เรียกว่าตัวเราเอาก็เป็นสิ่งถูกเห็นก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยพอเห็นซ้ํำๆๆมันก็ชัดขึ้นดิชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเว่อถ้ารู้ว่ามีตัวเราไอตัวเรามันก็เป็นสิ่งถูกเห็นมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ก็มันแหมมันเห็นง่ายจะตายไปมันเห็นง่ายจะตายเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันอยู่กันแค่เนี้ยมีพัดลมแล้วก็มีตัวเราทําไมจะไม่เห็นนะก็เห็นง่ายจะตาย ก็เลยเออมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ต่อมามันก็จะขยายไปเห็นเห็นโต๊ะเก้าอี้เห็นห้องเห็นความว่างเห็นอะไรแล้วก็เห็นตัวเราอยู่ในความว่างพัดลมก็อยู่ในความว่างพวกโต๊ะเก้าอี้ก็อยู่ในความว่างอ้าวก็รู้จักความว่างแต่ความว่างอันนั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมอ่าอ่าความว่างเป็นสิ่งถูกรู้แล้วอะไรที่มันเหนือความว่างก็ใจนี่ไงใจนี่แหละที่ไม่ใช่ใจเนี่ยคือเป็นความว่างแตเองคือสามารถที่จะ ลองรับให้การอะไรลองรับที่จะให้เห็นพัดลมได้ให้เห็นตัวเองได้ให้เห็นความว่างได้ให้เห็นอะไรได้เพราะนั้นเนี่ยใจเนี่ยจึงไม่มีขอบไม่มีเขตมันเป็นความว่างที่ยิ่งใหญ่ที่มันลองรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่ใจไปรู้ได้แต่ไม่เต็มในใจสักทีรู้อะไรก็ไม่เห็นมันเต็มในใจสักทีรู้มันว่างมันไม่เต็มใส่กับอะไรก็ไม่เต็มขอนญาตขอไนแห่งวันสงฆ์แบบ คือใจเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เห็นไม่สามารถเห็นไม่สามารถจับจองได้แต่แต่มันทุกสิ่งที่หลังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่รู้ด้วยแต่ไม่ไม่สามารถไปหาตัวมันได้กต่มันเป็นธรรมชาติที่รู้จช่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้กเนี่ยมันก็รู้อยู่แก่ใจว่าพัดลมะก็มีอยู่ใน อยู่ในอยู่ในห้องนะพัดลมอยู่ในห้องแล้วตัวเราก็อยู่ในห้องเห็นไหมมันรู้เนาะแล้วก็รู้ตัวเราพูดได้เนี่ยมันก็รู้อ้าวแล้วก็ในห้องก็มีอะไรมีที่นอนมีหมอนมีแล้วก็รู้ได้นี่เนาะแต่รู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่กล่าวถึงเลยอย่าไม่ได้เป็นหมอนไม่ได้เป็นพัดลมไม่ได้เป็นห้องอ่ะออแล้วรู้เนี่ยมันจึงได้รู้รู้แบบโหเต็มอัตราศึกเลยอ่ะรู้ทุกอย่างเลยอ่ะแต่รู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงอ่ะพอเป็นอย่างนี้ยมันจึง มันจึงไม่หลงมันจึงไม่หลงเอาใจไปยึดอะไรให้เป็นให้เป็นเป็นเราเป็นของเราแล้วไงเพราะว่ามันแยกด้วยปัญญาได้ว่าอะไรคือใจอะไรคือสิ่งที่ใจไปรู้เออมันแยกด้วยปัญญาได้ก็เลยไม่หลงไม่หลงก็เลยให้เป็นใจรู้อย่างเดียวแล้วมันก็มันก็จ้าอย่างนี้ยอย่างเนี่ยอาจารย์มันมันจป็นพฤติธธรรมราชาติของใจว่ามันไม่สามารถ ไป ห, หลงกับอะไรแต่แต่มันมเป็นธรรมชาติของรู้เท่านั้นแต่เมื่อก่อนมันไม่รู้อย่างนี้มันเข้าใจว่าอตัวเราเป็นเป็นใจแคเองใช่เพราะมันไม่เห็นตัวเราแล้ว <c oughs> มันไม่เห็นหรืเมื่อกี้ที่เราพูดเดี๋ยวเร า, เามันเห็นทั้งตัวเราเห็นทั้งพัดลมเห็นทั้งตัวเราใช่ไหม <c oughs> เห็นทั้งตัวเนี่ยตัวตัวเองเนี่ยนะอ เห็นแล้วก็พัดลงก็เห็นหมอนมุ้งก็เห็นและทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ในห้องมันอยู่ในความว่างของห้องแต่ใจเนี่ยมันไปรู้ความว่างอีกทีหนึ่งคือรู้ความว่างของห้องตอนนั้นใจรู้หมดไอ้ความว่างของห้องก็รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องก็รู้แต่ใจเนี่ะมันไม่มีตัวใจมันมันว่างเขาเรียกว่ามันว่างกว่าความว่างที่อีกเพราะว่ามันไปรู้ความว่างได้ไง ก็น <link video> ั <zeros> ้นมันมัน <freshwater> จึงอยู่เหนือความว่างก็เลยจะเรียกว่ามันว่างก็ไม่ใช่มันไม่ว่างก็ไม่ใช่คือมันไม่มีภาษาอธิบายแล้วก็เอาเป็นว่าไม่รู้แหละมันรู้กันแล้วกันแหละว่ามีอะไรอยู่บ้างอ่ะเอมีเรามีหนังสือมันรู้ทุกอย่างแสแต่ไม่มีใครมารู้มันได้ใช่เออไม่มีใครรู้มันได้หรอกถ้าไปรู้มันก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้อีกแล้วไอ้ตัวนั้นไหนไหมก็กลายเป็นใจก็เหนือขึ้นไปอีกออืมก็เลยก็เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งถูกรู้ได้อันนั้นแหะไม่ใช่ใจ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 สิ่งที่มีอะไรก็ตามอะที่มีไม่ใช่ใจทั้งนั้นแหละเพราะงั้นก็ให้รู้จักแต่สิ่งที่มีพอแล้วก็รู้จักไอัเนี้มีไอันนี่ยมีเนี่ยตัวตนก็มีไอ้ตัวเนี่ยรูปร่างเนี่ยก็มีความคิดก็มีตัวหาก็มีตัวค้นตัวรู้ก็มีอะ้วก็มีมีมีมีอมาถึงมารู้ที่พูดได้อ่ะนะก็รู้จักความมีพอรู้จักความมีเสร็จก็รู้ว่ามันมีรู้ว่ามันมีเดินห้องก็ได้บางทีท่องอ่ะมันมีมันมีก็คืออะไรก็กําลังพูดเนี่ยมันมีกําลังคิดเนี่ยมันมี โอ้เห็นความคิดเนี่ยใกล้ที่สุดแล้วเวลามันหลงอะไรเนี่ยเราดูนะพอมาพูดหน่อยเดียวคิดหน่อยเดียวมันเห็นความคิดเลยแล้วก็มันจะตัดตัวอื่นหมดเลยเออเนี่ยสมมุติว่าสมมุติโยมในตอนนี้หลงหมดแล้วนะไม่รู้อะไรนั้ะแล้วยอมก็บ่นในใจว่าเฮ้ยทําไมเราไม่รู้อะไรเลยไอ้โยมเห็นความคิดแค่เนี้ยแล้วก็โยมก็จะพบแล้วว่าเนี่ยคือความคิดก็เป็นสังขารใช่ไหมแล้วก็ใจเป็นคนรู้แค่เนี้แล้วก็โยมก็คิดไปเรื่อยแล้วคิดคิดแก่คิดให้รู้นะคิดแบบให้รู้อ่ะเดี่ยก็แค่เนี้ย คำตอบไม่ต้องหาหรอกแต่ว่าไอตัวคิดเนี่ยซึ่งมันอยู่ใกล้กับใจที่สุดแล้วเนี่ยเห็นมันเลยที่มันวไหวๆเนี่ยนะเห็นๆๆโอไใช่ได้ผลดีเราดูแล้วว่าไอความคิดเนี่ยถ้ามันคิดถ้าเราไม่เห็นนะเราหลงแต่ถ้ามันคิดแล้วเห็นเนี่ยก็ให้แค่เห็นความคิดแค่เนี้ยเพราะว่าเวลามันคิดเรื่องเนี้ยเรื่องอื่นมันซ้อนขึ้นมาไม่ได้ถ้าซ้อนขึ้นมาได้มันก็จะถูกเห็นอีกก็เลยเออก็เป็นความคิดเหมือนการคิดที่มันซ้อนขึ้นมากับคิดที่แบบเจตนาคิด ก็เลยมีแต่ไอ้รู้นี่ก็คือใจใช่ไหมเออแต่คิดก็คือสังขารก็เลยโอ้โหแค่นี้ง่ายเลยสีเนี้ยโอ้โหนี่พูดไปพูดมามันออกมันออกไปทางอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นความคิดอเออจริงแล้วสัยโยมงงหมดแล้วนะมันเกิดความรู้สึกงงใช่ไหมโยมงงว่าเนี่ปฏิบัติยังไงในะตอนนี้มั่วหมดแล้วเนี่ยถ้าโยมไม่เห็นความคิดนะโยมก็จะไปไปมั่วต่อไปแต่ถ้าเห็นความคิดเนี่ย เยวเห็นสังขารซึ่งมันมันไหวๆอยู่ในใจในไหวๆอยู่ในความว่างนั่นแหละแค่นี้เองเห็นความคิดเนี่ยชัดเลยเอทันแล้วมันก็ตัดไปเลยเนาะเออมันมันตัดเนี่ยมันมันตัดมันไม่ต้องเอาคําตอบหรอกมันแค่เห็นความคิดก็คือเห็นสังขารที่ไหวๆอยู่ในในในใจอยู่แล้วไงเออแต่ใจเนี่ยเราเราเป็นที่เข้าใจแล้วแต่เอาเป็นว่ารู้มันไหวๆก็แล้วกันเนี่ยไหวๆคือความคิดอ่ะแต่แต่แต่คิดคิดคิดคิดคิด อก็มีแค่เนี้ยแล้วจะติดใจเหมือนแบบว่ามันไม่รู้นะมันเขาว่ามันจิตในจิตในจิตเห็นจิตอ่ะมันเป็นมักเลยเออคเป็นมักเลยคิดคิดสงสัยอะไรก็มันเป็นมาในรูปของความคิดมันจะหาคําตอบมันงงงมันก็มาในรูปของความคิดก็เห็นคิดเห็นคิดเห็นคิดโอ้ยง่ายเลยเนี่ยง่ายสุดๆแล้วถ้าเห็นคิดอ่ะถ้าใจจิตสรุปข้าราชการขออนุญาตครับคือ อะไรที่ที่เป็นสิ่งถูกเห็นมันไม่ใช่ใจแต่ใจคือเป็นสิ่งที่มันเห็นทุกอย่างเลยมันมันก็สามารถแยกจากทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วแล้วธรรมชาติของใจธรรมชาติของสิ่งถูกเห็นมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆแต่เมื่อก่อนมันยึดค่ะมันยึดเลยทำให้ทุกมันไม่ใช่เราอยู่แล้วมันไม่ใช่เรา แต่ถ้าไม่เห็นตัวเรานี้ต้องกลับมาไงถ้าไม่เห็นตัวเราถ้าไม่เห็นตัวเรามันก็ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเรามันต้องตีกลับมาต้องเห็นตัวเราเห็นตัวเราอะไรอย่างเเห็นตัวเราก็คือก็ตัวเราก็เห็นทั้งตัวพูดพูด ผ, ผู้คิดผูด น, นี่นี่มันก็เริ่มทําให้ทําท่าจะเข้าใจเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอีก Oh, okay. oh. เอางี้เอางี้นะเอางี้เดี๋ยวเอาใหม่นะสมมติว่าเวลามันคิดแล้วไปเห็นความคิดใช่ไหมพอเห็นความคิดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพอเห็นความคิดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเรายังมีเราอยู่นะอ่าสมมติว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่ให้กลับมาเห็นตัวเราที่มันรู้สึกอ่ะก็กลายเป็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นทันทีเลยอ่าเพราะว่าสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งถูกเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่ใจ ก็เห็นมั น, นใจคำพูดยังไงนะเอาสมมุติว่ามันคิดพอมันคิดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นความคิดนะแล้วก็มันก็มีซ้อนขึ้นมาเขาบอกมันคิดในใจแบบว่าอ๋อก็ยังมีตัวเราอยู่เลยอะตรงเนี้ยให้เห็นเลยที่ว่ามีตัวเราอ่ะมันหมายถึงอะไรละ่ะมันหมายถึงตัวเราทั้งตัวใช่ไหมละ่ะค่ะพอมีหมายถึงว่าตัวเราทั้งตัวตัวเราทั้งตัวก็กลายเป็นสิ่งถูกเห็นทันทีเลย เห็นไหมพอกลายเป็นสิ่งถูกเห็นปั๊บมันก็หลุดอีกแล้วพ้นอีกแล้วเพราะว่ามันเห็นตัวเราไงคือทุกครั้งเนี่ยถ <ละ S 1> <บ>้า <uning> เดี๋อาจารย์ถ้าอาจารย์ขอรีเคลมว่าไงนะคะอ่าสมมติว่ามันมันเห็นความคิดนะเห็นความคิดชัดเลยแต่ว่าลึกๆเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังมีตัวเราเป็นผู้เห็นความคิดใช่ไหมทีนี้อาหละทีเนี้ยโยงก็ต้องมาดูว่า แล้วตัวเราอะตัวไหนอ่ะที่หมายถึงว่าตัวเราอ่ะที่ในความรู้สึกอะมันก็หมายถึงว่าตัวเราทั้งตัวใช่ไหมล่ะค่ะอะพอน้อมเข้ามาเห็นตัวเราทั้งตัวมันก็เข้าใจด้วยปัญญาเลยว่านี่ทั้งตัวนี่แหละคือขันห้าเออพอพอรู้ว่าเป็นขันห้าเสร็จแล้วเอ้าความเป็นตัวก็หายไปดิคราวนี้เพราะมันเห็นเป็นขันห้าไปแล้วไงไอ้ตัวเราที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวเราอะค่ะเอออย่างเอาตอนนี้ก็ได้ สมมติว่าโยมยังไม่เคลียเรื่องเรื่องตัวเรานะส่โยมยังรู้สึกว่าก็ยังมีตัวเราอยู่โยมก็ดูสิว่าไอ้คาว่าตัวเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรล่ะความหมายที่ที่ที่เข้าใจอะ่ะมันก็คือก็ทั้งทั้งทั้งแท่งเลยใช่ไหมล่ะทั้งก้อนเลยนี่แหละทั้งหมดเนี่ยอ่าแล้วก็น้อมเข้ามามาดูไอ้ทั้งแท่งทั้งหมดเนี้ยแล้วก็จะพบว่ามันก็เป็นสิ่งถูกเห็นทันทีเลยอะ่ะ พอเป็นสิ่งถูกเห็นก็มันก็พ้นแล้วเพราะว่าอะไรมันรู้ว่าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งนี้แต่ใจเป็นผู้เห็นก็เลยมันก็ไม่ยึดถือที่เรียกว่าตัวเรามันก็หมดไปความเป็นตัวเราก็หมดอีกเพราะนั้นเออมันจะหมดความเป็นตัวเราต่อเมื่อเห็นเห็นตัวเราเออมันต้องเห็นตัวเราทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีตัวเราแล้วก็ให้ดูไอ้ตัวเราที่มันที่มันรู้สึกนั่นแหละแล้วมัน อะไรกันแน่หรอที่ว่าตัวเราอะ่ะก็ปรากฏว่าพบว่าก็ตัวเราทั้งตัวอ่าพอพบว่าตัวเราทั้งตัวก็คืออะไรก็คือสังขารไงค่ะเออก็สิ่งใดมีสิ่งนั้นเป็นสังขาร <c oughs> ง่ายเลยสิ่งใดมีสิ่งนั้นเป็นสังขารถ้ามีตัวเราแล้วเห็นตัวเราสิ่งนี้มีเอ้ามันก็เป็นสังขารก็คื อ, อไม่ใช่ตัวเราเออคือมันหลุดพ้นไปเลยคือมันไม่เป็นตัวเราเลยถึงมันมีอยู่ก็ก็หลุดพ้นอยู่แล้วเพราะว่า มันมันเข้าใจถูกแล้วไงเข้าใจถูกว่าสิ่งใดมีถึงนั้นครเป็นเป็นสิ่งถูกรู้เพราะถูกรู้ด้วยใจอืมแต่ใจอ่ะเป็นความว่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเป็นสังขารอะไรก็ตามที่รู้ว่ามันมีมันมีให้เห็นนะว่าเห็นว่ามันมีจริงๆแค่เนี้ยก็หลุดพ้นแล้วมีตัวเรากําลังคุยโตัวสาบอยู่ใช่ไหมหล่ะเนี่ยตอนเนี้ยมีแล้วมันคืออะไรแล้วเนี่ยคือสังขารตั้งยวงเพราะอะไรเพราะถูกรู้ไงเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มี เพราะรู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจึงเป็นสังขารค่ะเ<อ>นี่ยคุยตัวหลับจริงๆอ่ะมันมีเออไอสิ่งที่มีเนะี่ยเป็นสังขารสังขารนอกนั้นจะเป็นความว่างเลยไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรอก็มันมีแค่ถึงที่มีไอสิ่งที่ไม่มีมันก็คือไม่มีก็เลยอ๋อกําลังไอคนที่กําลังพูดโทรศัพท์อยู่มี <c oughs> เห็นแล้วรู้แล้วเมือ่อมีแล้วมันก็คือสังขารค่ะ<อ>เออแล้วก็ มันก็พ้นสังหานี่เพราะว่ามันมันมีรู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้รู้ที่ากาใจ่ยมันรู้อยู่ว่ามีไงก็เลยมันพ้นไปแต่มันพ้นไปเราไม่ต้องไปทําพ้นไม่ต้องทําอะไรเลยเออตรงนี้เอาให้ชัดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่รู้ว่าไอ้ตัวผู้ตัวสับเนี่ยมันมีเนี่ยที่กําลังคุยโทรศัพท์เนี่ยมันมีแค่รู้ว่ามีแล้วไม่ต้องไปไปทําอะไรสักอย่างเดียวเลยแค่รู้ว่ามันมีไม่ต้องไปทําอะไรสัก นิดเดียวไม่กระทั่งการปล่อยก็ไม่ต้องปล่อยวางก็ไม่ต้องวางเพราะว่าแค่รู้ว่ามันมีเอ อ, อไม่ต้องปล่อยไม่ต้องวางแค่รู้ว่ามันมีเนี่ยคุยโะรับมีใช่ไหมละ่ะและ้วต้องปล่อยอะไรไหมละ่ะเนี่ยเอาสุ่มว่าส่งออกมาข้างนอกว่างมีผ้าหนึ่งลกูกมีก็คืออาตมาเนี่ยนะมีกุโ ย, ยงก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องวางใช่ไหม อ, อ่าแล้วก็เห็นไอ้ฝ่ายนั้นก็มี อ่าก็กำลังพูดโทรศัพท์อยู่ก็รู้ว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องวางก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนี่ง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยรจริงจรงรู้ว่ามันไม่ใช่ใจมันไม่ใช่เราด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่มีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกรู้อ่ะเออแต่จริงเนาะไอ้คำว่าไม่ใช่เรานี่มันเป็นภาษาเหมือนกับว่าสอนใจมันตอนแรกกันนะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันแค่รู้ว่าแค่รู้ว่ามันมีอะไร ก็แค่นั้นแหละแค่รู้ว่ามันมีอะไรก็แค่นั้นแหละเออแค่รู้ว่ามันมีคือไม่ไม่ต้องไปสอนอะไรเลยเพราะว่ามันมันเป็นปัญญาที่มันมันแยกได้ขาดแล้วนี่ว่าไอสิ่งที่ไม่มีมารู้สิ่งมีใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปไปทบทวนทําความเข้าใจมันแล้วเพราะว่ามันรู้เพียงแค่ว่าสิ่งใดมีก็แค่เนี้ยมันก็ไม่ต้องทําอะไรอืมสิ่งใดมีก็ไม่ต้องไปทํากับสิ่งที่มีไม่ต้องทําอะไรแค่รู้ว่ามันมี มีไม่ต้องทําอะไรจริงจรงนี่เรายิ่งพูดก็ยิ่งชัดดลไม่ต้องทําอะไรก็โยมมาทําอะไรกับอาตมาหรอไม่ต้องเคยรั่วอาตมามี่แต่โยมไม่ต้องทำอะไรเนี่ยทีนี้เอา้รู้รมันมีมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นสภาษาเลยเราก็หลุดออมาเลยเออภาษ า, ามันก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่พอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันแค่รู้ว่ามีเออ แค่รู้ว่ามีก็ไม่ต้องทําอะไรแค่รู้ว่ามันไม่มีไม่มีแล้วมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรโอ้ยนี่จริงๆเลยมันง่ายจริงๆแล้วเ้องเวลาต้อเข้าใจมันมันง่ายจริงๆเลยมันเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรจริงๆแค่รู้ว่ามีเอารายกตัวอย่างอื่นประกอบมั่งก็ได้โยมดูสิเอาสมมติโยมอยู่ในห้องใช่ไหมตอนนี้อยู่ตรงไหนค่ะโยมเห็นใช่ไหมสิ่งต่างๆมันมีของมันใช่ไหมล่ะค่ะค่ะไม่ต้องทําอะไรไหมอ่ะ อ่าไม่เนี่ยที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ยึดแล้วจึงไม่ต้องวางแต่รู้อย่างเดียวว่ามันมีนะทีนี้กลับมาดูที่ตัวด้วยดิว่ามันมีตัวไม่ล่ะตอนเนี้ยมีตัวเนี่ยก็คือเป็นรูปเป็นก้อนเนี่ยที่มันอยู่มันมีก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันแค่รู้ว่ามันมีเห็นไหมล่ะต้องออกแรงไหมอ่ะต้องปล่อยต้องวางไม่ไหมเลยแค่รู้มันมีอ่าทีนี้พอมันมีก็เห็นอยู่เนี้ยเห็นแต่ความมี ถ้ามันไม่มีก็รู้มันไม่มีเอแค่เนี้ยจริงๆเลยแค่นี้จริงๆเล ย, เ, ลยเพราะไม่ต้องทําอะไรไงใครจะทําอะไรได้อะในเมื่อ อ, อใจที่เป็นผู้รู้มันก็ทําอะไรไม่ได้แต่มันรู้อย่างเดียวว่ามีกับไม่มีใช่ไหมออ <ikes. S 1> ส่วนความมีมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามของมันเปลี่ยนยังไงก็รู้อีกว่ามันมันมีมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรออแล้วมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรรู้ว่ามันหายไปแล้ว อเพราะนั้นเนี่ยใจจึงไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรแค่รู้ว่ามันมีกับไม่มีโอ้ัหที่สุดแล้วนั่นเนี่ยทีเนี้ยโยมก็มานั่งฝึกเลยเดี๋ยวหัดมองนอกตัวก่อนก็ได้ว่ามันมีแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันมีมันมีแล้วก็กลับมาที่ตัวด้วยเอา้าตัวมันก็มีเนี่ยพูดได้เนี่ยตัวเนี่ยเห็นมันพูดก็มีแล้วก็กลับไปดูนอกตัวอีกก็เอา้ามันก็มี อแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็กลับมาที่ตัวอีกเอ้าตัวมันก็มีก็ไม่ต้องทําอะไรเออลองดูดิน่าจะง่ายนะมึงเนี่ยดูข้างนอกบ้างดูข้างในบ้างแล้วก็ดูกับมีกับมันไม่มีเนี่ยใชาจันคะแต่เราต้องย้อนไปไหมว่าเอี้นี่คือตามที่มันมันปรุงขึ้นมานะแต่ก็ก็ถ้ามันปรุงก็ถ้าจะดูตัวปรุงก็ดูถืว่ามันมันปรุงอยู่ก็รู้ว่ามันปรุงถูกไหมเออปรุงก็รู้มันปรุงคือ หรีถ่ถามว่าที่รู้ว่าข้าธรรมชาติของข้างนอกมีอะไรอย่างต้นไม้อย่างเสาไฟมีทีนตัวเราที่กำลังพูดนี่ก็มีแต่ที่ทีนมาดูได้พวกนี้ได้เพราะว่าธรรมชาติรู้รมันรู้ว่าสิ่งพวกนี้มีอมันก็เลยคัดมากขึ้นนะอาจารย์ให้ยอนกลับมาดูธรรมชาติที่มันไปรู้พวกนี้นะคะก็ให้ดูเนี่ยฝึกดูนอกดูในกันแล้วกัน นอกตัวเรากลับดูที่ตัวนอกตัวเราสลับไปสลับมาอย่างเนี้ยแล้วก็ให้เห็นว่ามันมีมันมีแล้วก็ตัวเราก็เห็นมีแล้วก็ต่อมามันก็จะเห็นพร้อมๆกันว่าข้างนอกก็มีตัวเราก็มีคําว่าตัวเรานี่เป็นสรรพนามนะข้างนอกก็มีตัวเราก็มีก็เห็นให้มันมีอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เด่นดวงเองแหละก็ได้ได้รู้ว่ามันมีกับมันไม่มีอะไรมีไม่มีก็เดี๋ยวก็รู้เองแหละแล้วก็ไอ้รู้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเพราะมันรู้ได้อยู่แล้วเออ เอาเอาแค่เอาแค่ว่ามีกับไม่มีพอเออเอาเห็นว่ามันมีกับไม่มีเห็นตัวเราทั้งตัวมีเอาเห็นตู้เห็นที่นอนมีเห็นช่องว่างอากาศก็มีเห็นตัวเราก็มีเห็นในนู่นก็มีเห็นอยู่ถ้ามันเห็นอยู่ก็แสดงว่ามันมีใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ตัวเราทั้งตัวก็เห็นอยู่ว่ามันมีเห็นอย่างเนี้เดี๋ยวมันก็เด่นดวงเองเลยไอรู้เนี <S <s ่ยเออเออเอาลองดูน uh> uh ี <S <s ่คุยไปคุยมาความรู้สึกมันก็มาชัดในตรงนี้อย่างนี่ย นะดูนอกดูในไปเนาะในหลักสติปัญญานมันก็ให้ดูนอกดูในอยู่แล้วแหละรู้กายภายนอกบ้างรู้กายภายในบ้างรู้ทั้งกายภายนอกรู้ทั้งกายภายในอย่างเงี้ยรู้อาจจะรู้ทางหูทางอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราก็ฝึก ด, ดูเนี่ยอมันมีเห็นบางทีมันไม่ต้องพูดว่ามีหรอกคือมันเห็นเลยอ่ะใช่ไหมค่ะมันเห็นเลยแล้วก็กลับมากลับมาดูที่ตัว ดูข้างนอกดูที่ตัวแล้วก็จะรู้ได้หมดว่าเฮ้ยจ <speaking up> ิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้อะหมายถึงว่าไอ้ตัวดูไวตัวรู้ออ น, นะวิญญาณนะเนาะแต่ใจอ่ะซึ่งมันไม่ได้วิ่งด้วยเนี่มันแต่เห็นไอ้ไ อ, อ้วิญญาณมันวิ่งมันดับตรงรู้มาเกิดตรงนี้แต่ใจอ่ะมันไม่ได้วิ่งหรอกแต่มันรู้ว่าอะไรวิ่งอะไรมาอะไรอยู่อะไรมีไม่มีอ๋อแสดงว่าท่านท่านอาจารจะให้ดูเปรีเทียบว่า อ่อกายในมันมีธรรมานของมันแล้วนี่สิ่งที่เคลื่อนไหวได้อมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยสิ่งที่ถูกรู้มันมันมันก็เลยรู้ว่าสิ่งถูกรู้ภายนอกมันก็มีตัวตัวตัวที่กำลังพูดไกาที่กำลังพูดนี่ก็มีแต่แต่มันเป็นสิ่งถูกรู้มันก็เลยไม่ใช่เราโดยธรรมชาติเลยเออเออทีเนี้ยอคําว่าไม่ใช่เราอะนะโยมตักไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็แจ้งเองแหละ ไอ้แค <languages? S 1> ่รู้ว right? ่าม like ันมีกับไม่มีมีกับไม่มีเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เออเพราะว่าไอ้คาว่าไม่ใช่เราเนี่ยเดี๋ยวมันพเกิดด้วยปัญญาหลือมันจะมันจะรู้ถึงใจจริงๆว่ามันจะสรุปเนี่ยมันจะสรุปปัญญาของมันเองมันเออลองรู้เนี่ยดูไปดูไปว่ามันเห็นอยู่เห็นนอกเห็นในก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นไปเห็นสลับไปเรื่อยๆนะเห็นสลับเห็นสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนี่ย เดี๋ยวมันก็เกิดเป็นปัญญารวบยอดสรุปให้เองว่าไอ้ตัวที่มีก็สังขารไอ้ตัวที่สลับไปสลับมามันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวนแล้วมันจะเข้าใจเองว่าใจอ่ะเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่มันไม่เคลื่อนไหวไม่ไปไม่มามันได้แต่รู้ว่าอะไรไปอะไรมาอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเออย่างเงี้ยไม่มีง่วงรับรองถ้าจะทําอย่างเงี้ยนะเพราะว่า <laughs> มันทํางานอยู่อ <laughs> เพราะว่าที่เราง่วงอ่ะเพราะว่าจิตมันเฉยมันไม่ได้ทํางานแบบให้เกิดปัญญาไงมันจะนิ่งอะไรเนี้ยใช่ค่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีเพราะว่ามันเห็นอ่ะมันรู้มันเห็นแล้วอย่งเนี้ยตัวที่ไปรู้ไปเห็นมันมันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนเหมือนกันมันมันก็เลยมันมันก็เลยเห็นการทํางานของตัวที่ที่รู้ว่ามีเน่ยค่ะแล้วแล้วตัวที่ตัวที่รู้พวกนี้มันก็มีเหมือนกันอื